บุ๊ก <Book> 2ห <52. S> ้าสิบสองฉันกูรตูระนกรตรูระในห้างสรรพสินค้าทุชันเซฮัตมันเตมเราไปห้างสรรพสินค้ากันไหมทุชันเซฮัตมตึกวัชตา ตุจานซเฮอตมตุกอชตาดิฉันต้องไปซื้อของซิเชฟนไฟเอซิเชฟนไฟเฟฟดิฉันอยากซื้อของหลายอย่างซบดดด์เชฟนไฟเอซบดดิเชฟนไฟ เ, ฟฟเฟฟแผนกเครื่องใช้สานักงานอยู่ที่ไหนคะ ออฟฟิสมอารที่เด็กชอบอ่ะดิฉันต้องการซจดหมายและเครื่องเขียนคมคิรที่บิฉันต้องการปากกาลูกเลื่นและปากกาเมจิก รุก่ก็หมร ى, ฟลมาสเตอร์หมระิชิชัหลั ى, ลนแผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไห น, วนวสวทเดชทิดิ ى, ดิฉันต้องการตู้และตู้ลินชัก กฟร์ด ร, ร, ด, รดิฉันต้องการโตเขียนหนังสือและฉันวางหนังสือแพนแนกของเล่นอยู่ที่ไหนคะ ดีกวาเชท ха ดีกวร์ที่เดอ ха ที่ฉันต้องการตุกตาและตุกตาหมีนสขจักรห์ร่งชะที่ฉันต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุกเฮสตอ สาอาดหาดทรายชั้นมะถุ่มร์สฟาแผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนคะอมาผสมเครอทเดชอค่ะอมาผสมเครทดชอค่อดอะดิฉันต้องการคอและครีมวัตเตอร์อดเรซิชิออชอ ี่ฉันต้องการสว่านและไขควง บ, บงบรูกชชาชระรจัมบรูกาเร์ซิชิชอบรูกาชระรจัมบรูกาเร์ซิชิชอแผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหน ก, กาดคาเชค์ทุดเชอกดคาคเชอ ดิฉันอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือรรอรรออจดิฉันอยากได้แหวนและต่างหูออลริอรลรรกจ